นี่อีกเรื่องหนึง่งทีนี้ต่อไปมักน้อยเรื่องปริยัตมักน้อยปริยัติเนี่ยบางคนไอ้คำว่ามักน้อยก็เรียกว่าอย่าไปเรียนเลยปริยัติเพราะตัวเองมักน้อยในปริยัติเรียนแต่น้อยก็พอไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นคําว่ามักน้อยในปริยัติเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ที่มีร่ํามีความรู้ในคําสอนเนี่ยมากเป็นปหูสูดมากแต่ไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเป็นผู้เป็นปหูสูดแตกฉานในคําสอนอันนี้แหละเรียกว่ามักน้อยใน เหมือนพระสาเกตกะติสัธิระเล่ากันมาว่าพระธถระไม่ทำโอกาสในอุเทศปริปุชาว่าไม่มีเวลาคื อ, ค, อ, ค, อคือมีพระรูปหนึ่งนะเป็นพระที่สอนเก่งมากเลยมีความรู้ในพระไตรปิฎกแตกฉานมากแล้วก็สอนให้ลูกศิษย์บรรลุเยอะแยะเลยแต่ตัวท่านไม่บรรลุอะไรเลยท่านก็วันหนึ่งลูกศิษย์องค์หนึ่งที่ไปปฏิบัติแล้วเปลีพระทาหัน ท, หท่านก็มานั่งนึกเออาจารย์ของเราเนี่ย แม่สอนสอนจนเราบรรลุมรรคผลเนี่ยอาจารย์มีคุณธรรมอะไรบ้างเนอะตรวจดูวราระจิตอ้าวอาจารย์เป็นปุถุชนไม่บรรลุอะไรเลยก็เลยกลับไปสอนจะไปไปเตือนอาจารย์ว่าอาจารย์คว้นควายในสมณธรรมได้แลว้วเสร็จแล้วก็ไปจะไปเล่าให้อาจารย์ฟังไปถึงก็บอกว่าไปไปขอไปพูดแบบนี้อาจารย์ไม่ยอมอยู่แล้วล่ะก็ไปถึงบอกอาจารย์ครับผมขอเรียนธรรมะด้วยหน่อยเออผมไม่มีเวลาขอเรียนเชา้าบอกเช้าผมก็ติดสอน บ่ายบ่ายก็ติดสอนนะครับเช้าก็ติดสอนสายก็ติดสอนเที่ยงก็ติดสอนบ่ายก็ติดสอนเย็นก็ติดสอนค่ําก็ติดสอนติดสอนหมดเลยที่จริงอ่ะลูกศิษย์เนี่ยก็เป็นลูกศิษย์แต่ว่าตัวเองลูกศิษย์เยอะมากจนจําลูกศิษย์ตัวเองไม่ได้เนี่ยนะลูกศิษย์ก็เลยบอกโอ้โหอาจารย์ยี่สิชั่วโมงไม่มีเวลาเลยไงอันนี้ของสตรอาจารย์ไม่มีเวลาตายหรอก เนี่ยนะคือคงเธอ ค, คำนวณตรงนี้บอกว่าคงมีแต่เวลาตายเท่านั้นแหละคงจะพอมีเวลาเนี่ยนะตายไปแล้วนั่นแหละจึงจะพอมีเวลาบ้างนะมีเวลาให้ตัวเองก็ต่อเมื่อตายไปแล้วแบบนั้นนะท่านก็เลยอ๊ย้สังเวชใจมากเนี่ยนะสังเวชข้ออะไรเพราะเพราะองค์ที่เตือนเรเตือนเสร็จหาะจะ อ, ออกไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะท่านเขมานะนะโอ้เ ข, ขรู้เลยว่าคนนี้มาเตือนเราไม่ใช่มามาขอเรียนวิชากับตัวเองก็เลยละจากหมู่คณะเนี่ยนะไม่บอกใครเนี่ยลาไปเลย ไปวิหารอยู่ใกล้ทะเลไปอยู่วัดชายฝั่งทะเลที่มีทรายเนี่ยขาวเหมือนดอกกัญญการเ น, นะเหมือนดอกกัญญากัญญาเหลืองกณิกาสีเหลืองหรือสีทองกณิกาขาวหรือขาวทองก็เป็นเครียกว่าทรายอย่างนั้นเถอะเห็นทรายแล้วกันทีนี้ท่านเนี่ยเป็นผู้ว่าเป็นผู้อุปการะแก่พระพิสุชั้นเีรหนวกะรมชิมะตลอดพรรษา ยังประชุมชนให้สเทือนด้วยธรรมกถาในวันปวารณาพอวันอุโบสถแล้วก็ไปละคือคือท่านอยู่ที่นั่นเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าท่านเนี่ยนะท่านไม่เคยบอกเลยว่าท่านเป็นใครมาจากที่ไหนแต่ท่านก็สอนพระเนนที่อยู่ที่นั่นนี่ยนะแนะนำให้อะไรให้เสร็จแล้วแต่ไม่เคยเทศสอนโยมเลยพอวันออกพรรษาวันปวารณาท่านก็เทศเกือบทั้งคืนเสร็จแล้วก็เก็บบาทไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะลักษณะนี้เขาเรียก ว, ว่าเป็นผู้ที่มักน้อยใน ในอะไรในปริยัติคือถ้าฟังอย่างนี้บอกโอ้เนี่ยถ้ามักน้อยอย่างนี้แล้วแม่ศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงมันน่แม้มีความรู้แล้วต้องบอกต้องสอนสิอะถ้าถ้าอย่างอย่างตรงนี้เนี่ยเขาเข้ากับเตือนว่าถ้าทุกคนมีความรู้คล้ายๆกันแล้วทุกคนต่างพูดมากเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นมว่าดีไหมรู้เท่ากันจําได้เท่ากันแล้วทุกคนพูดพูดมากเหมือนกันหมดเนี่ยนะ เขาบอกว่าคนที่จะอยู่ผาสุขต้องไม่พูดคําพูดที่ผู้อื่นพูดแม้มากเนี่ยนะถ้าไปพูดอีกคนนี้ก็พูดเหมือนเดิมอีกคนนี้ก็พูดเหมือนเดิมพูดหมายความว่า3ามชั่วโมงแล้วค่ามันมาว่าถ้าบรรจุมาแล้วมันมันค่าเท่าเดิมเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ตรงไหนมันไม่มีประโยชน์ท่านก็เลยมักน้อยว่าไปเรื่องใาเรื่องของปริยัติไม่ได้แปลว่าอย่าเรียนแต่เรียนแล้วก็อย่าพูดมากเนี่ยนะก็แปลว่าอย่าพูดมากคําว่าพูดมากนี่บางทีเนี่ยไอคนที่พูดเนี่ยถามว่าไอคนฟังเขาเชื่อแค่ไหนล่ะ ทีนี้ถ้าตัวเองจําอวดละเรื่องนี้ตัวก็รู้เรื่องนั้นตัวกร็รู้ๆไปทุกเรื่องเนี่ยนะมันยุ่งเหมือนกันนะพ่อมาเคยเคยเคยนึกถึงพระรูปหนึ่งเหมือนกันเพื่อะไรนิดหนึ่งท่านรู้หมดละเพื่ออะไรนิดหนึ่งท่านก็รู้หมดละแต่กุศลไม่เจริญเลยเนี่ยนะเครียดมากเนยนะเราก็รู้แล้วเนี่ยนะ โ, โอ้เราก็น่าสงสารก็ไม่รู้จะทํำยังไงไปจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านก็คือท่านรู้ไม่จบสักเรื่องนะแต่รู้อย่างละนิดอยู่ลังละหน่อยแต่พูดเยอะมากเนี่ยนะก็ถามว่าทํำยังไงก็โอ้แลแต่บุญแลแต่ นีมนตามอัธยาศาัยเถอครับแผ่นดินไทยนี่มันกว้างใหญ่ไพาศาลนักเลเนี่ยนะพื้นที่เป็นร้อยตารางกิโลเหมือนกันเถะนิมนเถอครับตามสบายเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมันมันก็ยากเหมือนกันนะคนที่มกักมากในปริยัตก็คือโฆษณาว่าตัวเองอันนั่นก่อเรียนมาอันนี้ก็จบรู้ไปทุกเรื่องเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจิตตัวเองกาลังเป็นอักุศนด้วยอํานาจความลําพองเย่อหยิ่งแล้วก็พยองเป็นต้นนั้นคือท่านต้องการตัดตรงนั้นออกไปไม่อย่างนั้นเนี่ย อย่างคนที่เรียนมาแล้วพูดมากน้ำลายแตกเป็นฟองแล้วก็คนอื่นรำคาญไปหมดเนี่ยนะถามว่าเป็นผลดีกับคนที่พูดมากหรือไม่เป็นผลดีคือจริงๆแล้วคำว่ามากักมักน้อยในปริยัติเนี่ยนะจริงๆแล้วรักษาคนที่เรียนปริยัตให้ให้เจริญด้วยคุณธรรมระยะต่อไปไม่ใช่เรียนถ้าหาว่าเป็นคนมักมากในปริยัตเท่ากับสูตรก่อนเลยสูตรไหนอละคัตถูปมาปริยัเรียนปริยัตประเภท จับงูพิษที่หางเนี่ยนะเรียนปริยัตประเภทจับงูพิษที่หางเพื่อเรียนเพื่อให้คนรู้จักเราว่าเราคือใครเราเป็นใครเราเก่งกาจขนาดไหนเสร็จ แ, แล้วก็อะไรข่มผู้อื่นเป็นต้นซึ่งไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ต่อคนนั้นเลยนั้นท่านก็เลยบอกว่ามักน้อยในปริยัตก็คือรักษาว่าเออสิ่งที่คุณเรียนเป็นเรื่องดี ความเป็นพหูสูตรเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งที่ช่วยเกื้อกูลให้เป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเพราะความเป็นพหูสูตรนั้นเป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะเป็นทรัพย์แล้วละ่ะแต่การที่ถือเอาความเป็นพหูสูตรเที่ยวยกตนแล้วก็คมผู้อื่นเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างเขาบอกว่าวิชาทางธรรมะบางวิชาเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยประชาชนก็เสื่อมศรัทธาเขาไม่ค่อยอยากเรียนกัน จริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากว่าวิชาไม่ดีหรอกเกิดจากคนที่เรียนวิชาเนี่ยพูดมากแล้วพูดมากแล้วพูดยกตนข่มคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะเธออย่างนั้นอย่างนี้ไปตำหนิคนอื่นว่าตัวนี้ดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะตัวนี้ดีอยู่คนเดียวทั้งๆ ท, ที่อกุสลเนี่ยท่วมหัวจิตหัวใจเนี่ยเสร็จแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเมื Gir ่อดูหมิ่นอยู่คนอื่นตลอดเวลาเนี่ยเขาก็ชักหมั่นไส้และไอ้วิชานั้นคงไม่ดีแนะ่เพราะดูนีคนนี้นะก่อนที่จะมีวิชาอันนี้ ก็ดีนะดูนิสัยดีนะพอเรียนอันนี้มาจบนะเหมือนกับอะไรกลายเป็นคนไปอีกคนหนึ่งเลยกลายเป็นคนที่ขาดเมตตาดูหมิ่นเหยียดย่ําแล้วก็ซ้ําเติมคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะไม่ประกาศถึงภาวะของผู้ที่มีเมตตาเลยซึ่งไม่เหมาะกับลักษณ์ไม่มีลักษณะของเรียกว่าคนที่มีความรู้เลยแล้วเขาจะคิดยังไงเนี่ยนนะเขาก็กลายเป็นว่าเป็นที่ตั้งแห่งความ ร, ารําคาญเขาก็ไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินได้ฟังเพราะอะไรเพราะคนนั้นเป็นคนที่เรียกว่ามากักมากใน ปริญญาตเนี่ยนะแล้วไปที่ไหนแล้วถ้าเราไปบอกให้คนอื่นว่าเราเราเนี่ยคือใครเราจบอะไรบ้างเนี่ยถามยิงว่าประโยชน์ตัวเองนีได้อะไรบ้างอ่ะประโยชน์โลกนี้ได้ไหมสองประโยชน์โลกหน้าได้ไหมสามประโยชน์อย่างยิ่งได้ไหมแล้วคนที่คนที่เราโฆษณาให้เขาฟังเนี่ยเขาฟังจบแล้วเขาจะมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์โลกนี้เขาได้บ้างไหม ประโยชน์โลกหน้าเขาได้บ้างไหมประโยชน์อย่างยิ่งเขาได้บ้างไหมแล้วเขาจะเจริญด้วยศรัทธามไหมจเจริญด้วยศีลไหมจเจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นจำเนกบ่อยๆว่ามีประโยชน์ต่อตนหรือมีประโยชน์ต่อคนอื่นบ้างไหมคือตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่บอกว่าอย่าสอนอย่าเทศอย่าบอกอย่ากล่าวอย่าอะไรเป็นต้นแต่ว่าอย่ามากๆเนี่ยนะคือตรงนี้ต้องการบอกว่าอย่ามากๆให้เป็นผู้ที่มักน้อย การที่พระ อ, องค์สอนอย่างนี้ประกาศว่าพระ อ, องค์รักษาเรารักษาเราให้ไม่เดือดร้อนในขณะนั้นนั้นและต่อต่อไปในอนาคตเนี่ยนะพูดถึงว่าผู <c oughs> ้ที่มักมากในประยัตเนี่ยเขามาไปเห็นมีรายการหนึ่งไม่ใช่รายการนะนะคือมีริยิเรื่องหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านก็เรียนเรียนอ่านพระไตรปิฎกมาพอสมควรแหละท่านก็ไปพูดให้อีกคนหนึ่งฟังซึ่งเป็นคนที่ไม่มี ศรัทธาเลยเนี่ยนะซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของท่านรูปนั้นนหะก็ไปพูดพูดพูดแล้วคนญาตินั้นอนะ่ะไม่ชอบเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วพอไม่ชอบองค์นี้ก็บอกหมายเขาก็พยายามบอกว่าเขาเนี่เรียนมาขนาดไหนเขารู้อะไรขนาดไหนทําไมคุณไม่ยอมรับเลยเนี่ยนะทีนี้ยอมก็เถียงไม่ทันพระแล้วกันนี่ได้ทาไงดียอมเนี่รู้สึกว่าตัวเองเนี่เสียนหน้าเข้าไปทุกทีทุกทีพระก็ข่มเอาขมอา่ขมเอาเนี่ยนะยอมก็เลยบอกว่าแล้วใครนี่หม่นท่านเทศละกันนี่ใครนี่หม่นท่านเทศ ท่านเนี่ยเทพนอกธรรมะท่านรู้ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะโอ้ยก็มาฟังแล้วเนะี่ยอยากเศร้าเลยนะบอกรูพูดตั้งกันนะแทบจะเข็ดแล้วนะตามสบายกันแล้วกัน <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราพูดมากๆเราก็มาคิดให้ดีๆว่ามีประโยชน์จริงหรือเชื่อไหมสองคนนั้นแทบจะเป็นคู่เวรตั้งกับปัจจุบันตั้งกับวันนั้นถึงวันนี้ก็มองหน้ากันไม่ค่อยติดคุยกันไม่รู้เรื่องสรุปแล้วนะจากวันนั้นถึงวันนี้เขาไม่ค่อยคุยกันเลย เจอหน้ากันถ้าหลบได้ก็หลบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงจากกันได้ก็จากกันแสดงไม่มีผลเลยนะการที่คนพูดก็ไม่มีประโยชน์ต่อคนพูดทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นญาติกันนี่เสียญาติไปเลยเพราะเพราะตรงนั้นเพราะฉะนั้นคำพูดพูดถ้าพูดดีพูดเป็นเนี่ยนะรักษามิตรภาพรักษาอย่างน้อยก็ยังเหลือความเป็นญาติบ้างและยังดีเนี่ยนะคุยยังไงเรียนอะไรจบแก่งการขนาดไหนก็ช่างเถอะอย่าลืมว่าเป็นยังพอเป็นญาติกันอยู่บ้างนะตรงเนี้ที่เราต้องค่อยๆคํ า, า, า, านึงบ้างนะนะ คือต้องการจะที่ตรงนี้ที่ท่านต้องการจะเตือนคนที่พูดมากเนี่ยนะคือพูดมากแล้วพูดแล้วตนได้ประโยชน์ผู้ฟังได้รับประโยชน์มันก็ไม่มีปัญหาแต่หมายความว่าถ้าสูญเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายล่ะนะคนที่พูดพูดจบใจฟุ้งซ่านไอ้คนที่ฟังฟังเสร็จรำคาญลำคาญเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่รู้นะใครที่แบบเป็นโรคลำคาญง่า ย, ายๆนี่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยนะไอ้คนที่แบบไม่ค่อยเข้าใจก็เอาว่ากันไปเนี่ยนะ ส่วนอันหนึ่งอันอันสุดท้ายก็เรื่อว่ามรคน้อยในอธิคมมรคน้อยในมรผลมรคน้อยในมรผลเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าแหมขอเป็นเอ้ยเอาบรรลุโรคเนี่ยนะหรือมาขอเป็นพระโสดาบันพอแล้วเนี่ยนะลักษณะนี้เรียกว่ามรคน้อยใช่ไหมไม่ใช่ลักษณะของมรคน้อยในอธิคมมีความหมายว่า เป็นพระอริยบุคคลรูปใดรูปหนึ่งแล้วเช่นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกะทาคามีหรือเป็นอนาคามีหรือเป็นพระอาหารหันแล้วเนี่ยมักน้อยไม่ปรารถนาที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเรานี้เป็นพระอริยเจ้านี้เรียกว่ามักน้อยในอธิคมเขามีพระสามรูปที่เรากกุลบุตรสามท่านเนี่ยนะกุลบุตรสามท่านคือพระอนุรุท ธ, ธานันทยกิมิระเนี่ยองค์ที่เดี๋ยวสู่ต่อๆไปข้างหน้าจะมี สามองค์นี้เนี่ยนะท่านไม่เคยเปิดเผยอยู่ด้วยกันและทุกคนมีคุณธรรมหมดแต่ไม่เคยคุยว่าตัวเองนั้นแต่ละคนนั้นมีมีอะไรบ้างเนี่ยนะเพราะไม่ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวนั้นมีคุณธรรมอย่างไรเก็บใจของตัวเอาใจของเพื่อนเป็นหลักแล้วทุกคนทั้งสามองค์เนี่ยเกรงใจกันหมดทุกคนเนี่ยสามรูปเนี่ยเกรงใจกันหมดแลวไม่เคยคุยในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเนี่ยนะ มีความคิดว่าโอเป็นลาบของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้เพื่อนดีแบบนี้เก็บใจของตัวแล้วแต่ใจของเพื่อนทุกคนคิดอย่างนี้หมดทุกคนสมาสามัคคีกันไหมสามคนนี่มีความมมีความสามัคคีซึ่งกันและกันมากเนี่ยนะรักการกลมเกลียวกันอย่างมากแล้วทุกคนบรรลุเป็นผ้าหันหมดเลยแล้วท่านจะสนทนากันทุกห้าวันห้าวันเนี่ยนะห้าวันครั้งหนึ่งแล้วก็สนทนากันทั้งคืนเลยเนี่ยนะสนทนามาทำทั้งคืนแบบ เรื่องที่สนทนาบอกปิดกใดปิดกหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดทุกคนเหล่านั้นแทบไม่เคยเปิดเผยว่าตัวเองนั้นมีคุณธรรมอะไรเพราะเป็นผู้ที่มักน้อยในอธิคมบรรลุมักผลแล้วไม่ปรารถนาที่จะให้คนอื่นรู้แล้วก็หรือเหมือนคติการะช่างหม้อเนี่ยนะคติจ า, าระช่างหม้อซึ่งเราเรียนข้างหน้าก็จะถึงช่างหม้อคนนี้เป็นพระอนาคามีแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวเองเป็น พระอนาคามีถึงความมักน้อยเป็นอย่างยิ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเนี่ยนะเล่าเรื่องของช่างหม้อให้พระราชาพระเจ้ากิงกิฟังพระเจ้ากิงกิฟังแล้วก็เลื่อมสายเนยนะขนสบียังไปให้โรยหลายเกวียนมากเลยนะท่านไม่รับเพราะท่านถือว่าเป็นการได้เพราะการโฆษณามา เหมือนกับว่าไปโฆษณาตัวเองได้มาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็อยู่ได้อยู่แล้วก็เอาปัจจัยเหล่านี้พระราชามีกิจเยอะให้พระราชาใช้ไปส่วนข้าพระองค์ก็มีพอใช้แล้วเนี่ยนะก็ขายหม้อไปวันๆหนึ่งก็พออยู่พอใช้แล้ววิธีขายหม้อเขาเอาหม้อวางไว้นั่นแหละใครอยากได้หม้อก็เอาอาหารมาวางไว้เอาปัจจัยสี่เอาเอาเส้นเอาเข้าวสารเอาถั่วเป็นต้นมาวางแล้วก็เอาหม้อไปเนี่ยนะแล้วทุกคนเนี่ยช่างหม้อคนนี้ไม่ต้องเฝ้าหน้าร้านถูกไหม ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าร้านเนี่ยนะพราะอะไรพราะทุกคนรู้ว่าช่างหม้อคนนี้ดีมากเลยนะ mm. เขาเขาก็จะเป็นเรียกว่าเขาจะรู้ว่าราคาหม้อใบนี้ควรจะต้องใช้ข้าวเปลือกเท่าไหร่ใช้ถั่วใช้งาเป็นต้นเนี่ยเท่าไหร่ mm. เขาก็เอามามาแบ่งไว้เสร็จแล้วเขากลัวมากเลยกลัวจะขาดเนี่ยนะกลัวจะไม่คุ้มกับราคาของหม้อเนี่ยนะเพราะเขากลัวบาปมากเพราะเป็นเป็นเป็นช่างหม้อที่มีคุณธรรมมากเนี่ยนะเขาก็เป็นช่างหม้อเป็นพระอนาคามีแล้วท่านท่าน เป็นผ้านาคามีและไม่เขาบอกว่าไม่รับเงินเนี่ยนะถ้าเป็นพผ้านาคามีไปแล้วเนี่ยจะไม่ใช้เงินเองละอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามถ้าเป็นผ้านาคามีไปแล้วเนี่ยดูตามนั้นแล้วไม่ใช้เงินเนี่ยนะอย่างผ้านาคามีบางท่านเนี่ยก็ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้เพืยาดูแลหมดเล ย, สยแสดงว่าขออาหารวันละมื้อกัอแล้วกันนะแค่นี้ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเนี้ยเท่านั้นเองนะ่นเอ โอ้ยเงาแย่ทีงั้นนะนะบอกไม่เงาหรอกท่านอยู่ด้วยฌานเนี่ยนะไม่ต้องกลัวหรอกก็เรียกว่ายิ่งกว่าสมบัติในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทั้งหมดด้วยซ้ําไปนะคือมัดผลที่ท่านได้เนี่ยมันเป็นความดีเป็นความสงบมันยิ่งกว่าอะไรนะกว่ากว่ายิ่งกว่าสมบัติในโลกพร้อมทั้งเทวโลกถามว่าในโลกนี้ระหว่างภูตรูปกับปุส ล, ลจิตอันไหนมีค่ากัน น, นะถ้าเทียบนะระหว่างดินน้ําไฟลมกับปุศลเนี่ยอันไหนมีค่ากัน กุศลมีค่ามากกว่ากุศลยานวิ amientos, ปยุทธกับสัมปยุทธเนี่ยนะมีปัญญาประกอบกับไม่มีประกอบอันไหนมีค่ากับกันสัมปยุทธมหากุศลเป็นล้านดวงก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับฌานเนี่ยนะไม่ได้มีค่าเท่ากับปฐมฌานปฐมฌานเป็นล้านก็สู้ทุติยะฌานไม่ได้ทุติยะฌานเป็นล้านก็สู้ตัติยะฌานเนี่ยตัติยะฌานเป็นล้านก็สู้เจตุติฌานไม่ได้รูปฌานเป็นล้านก็สู้อรูปฌานเป็นต้นไม่ได้อรูปฌานเนวสัญญานาสัญญายาตนาเนี่ยนะ เป็นล้านล้านก็เทียบกับโสดาปฏิมักไม่ได้โสดาปฏิมักนี่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสกท า, าอ๋อสกโซดาบัณเนี่ยนะโสดาปฏิมักเป็นล้านก็ไม่ได้มีคุณเท่ากับสกธ า, าคามีสกธ า, าคามีเป็นร้อยเป็นล้านก็ไม่ได้เท่ากับพระอนาคามีเพราะฉะนั้นท่านมีดียิ่งกว่าคเครียกว่าจนกว่าจะมานั่งคิดเรื่องที่ อ, อะไรเรื่องที่ไม่ควรคิดอยู่แล้วเนี่ยนะเรื่องที่เรียกว่าไม่ต้องไปใช้ความคิดอะไรเพลืองเนี่ยนะเข้าสมาบัติมีความสุขกว่าเยอะเนี่ยนะ